ญาติโยมสาธุชนทุกท่านเมื่อเดือนที่แล้ววันที่ยี่สิบหกตุลาคมคนไทยทั้งประเทศได้ออกมาร่วมในพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิษราชการที่เก้าเหตุการณ์นั้นยังอยู่ในความทรงจำของพวกเราทุกคนเป็นตำนานเล่าขาน กันไปอีกนานแสนนานและเวลาก็ไม่ทำให้เราคลายความรู้สึกที่มีต่อพระองค์ท่านยิ่งเวลาผ่านไปนานขึ้นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านรัชกาลที่เก้าก็จะยิ่ง ชัดเจนเพราะจะมีการพูดถึงกันมากขึ้นอย่างรายการวันนี้เราก็มาพูดกันในมุมหนึ่งคำสอนพ่อคือคำสอนของพระองค์ท่านพระองค์ได้ทำอะไรไว้เพื่อ ประเทศของเราและโลกใบนี้มากมายหลายเรื่องเรามารู้เมื่อสเสด็จสู่สวรรค์คาลัยแล้วเพราะมีการนำมาเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์และอื่นๆจึงทำให้นึกเปรียบเทียบ ความยิ่งใหญ่ของรัชการที่เก้าเนี่ยเหมือนภูเขาภูเขาเวลาเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราก็เห็นยอดมันนะเราก็เห็นป่าไม้เห็นอะไรที่อยู่บนภูเขาถ้าเราอยู่เชิงเขาเนี่ยแต่พอเรานั่งรถ หนีออกห่างจากภูเขาไปเรื่อยๆหรือจะเดินก็ได้ไปสักห้านาทีสิบนาทีลองมองไปที่ภูเขานั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ายอดเขาเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆมันสูงตามระยะที่เราห่างออกมาตอนอยู่ใกล้มันก็ดูไม่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ เราเดินออกห่างหรือนั่งรถออกห่างไปตั้งนาน <_ d ata> ก็ยังอยู่ใกล้ๆนี่แหละเพราะยอดมันสูงขึ้นเรื่อยๆตามสายตาของเราคนในประวัติศาสตร์เกิดยุคเดียวรุ่นเดียวกันความยิ่งใหญ่ก็มากแล้วละ่ะแต่พอการเวลามันผ่านไปนี่ คนที่เป็นมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจะมีตำนานมีเรื่องเล่าขานเพิ่มเติมเข้าไปมากทำให้ดูยิ่งใหญ่มากกว่าตอนที่เราอยู่ร่วมกันทำให้ดูเหมือนบางทีเหนือมนุษย์เราลองคิดถึงคนยุคลชาชการที่ห้า เมื่อร้อยปีมาแล้วรัชากาลที่ห้าเสด็จสวรรคต 2,453 หนึ่งร้อยกับเจ็ดปีที่ผ่านมาในยุคนั้นพระองค์ก็ยิ่งใหญ่นะแต่พอมาถึงยุคเรานี่สเสด็จพ่อรอห้านี่เป็นเป็นองค์เทพไปแล้วนะ ท่านลองไปดูที่ลานพระบรมรูปกลางคืนในวันที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านเนี่ยคนมาบวงสรวงมาไหว้กันเต็มไปหมดยกสถานะเหมือนกับว่าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะเป็นเทพมาเกิดแล้วเสด็จสู่สวรรค์คาลัยไปเป็นเทพมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ คอยปกป้องคุ้มครองพวกเรายิ่งนานยิ่งยิ่งใหญ่และเราก็รู้สึกทำนองเดียวกันเนี่ยกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าจะมีคำพูดมีเรื่องอะไรต่างๆทำนองนี้มากขึ้นนั่นคือความ ยิ่งใหญ่ที่เป็นไปโดยธรรมชาติเราโชคดีตรงที่เกิดทันได้รู้ได้เห็นได้มีส่วนรับเรียกว่าผลแห่งการที่ทรงปฏิบัติพระราช ก, การณียกิจเราเราได้รับโดยตรงนะโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างกันลวกัน แล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้านานวันขึ้นมันก็จะมีเรื่องเล่าเพิ่มเติมบางทีแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นเรื่องเล่าอะไรเป็นเรื่องจริงดังนั้นก่อนที่การเวลาเนี่ยจะทำให้เรียกว่าเรื่อง พระองค์ท่านเนี่ยเป็นตำนานที่เล่ากันต่อๆ เ, เราควรจะได้ดูของจริงเรื่องจริงๆที่พระองค์ได้สอนได้ทำก่อนที่จะมีการเพิ่มเป็นตำนานเป็นอะไรเข้าไปอีกและนั่นก็คือเรื่องที่เรามาพูดกันในวันนี้ คำสอนพ่อที่จริงๆเนี่ยพระองค์สอนอะไรก่อนที่เสด็จสู่สวรรค์คารัยทำอะไรไว้บ้างแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาประมวลเนรวมเอาคำสอนพ่อเนี่ยคือพ่อหลวงของเราเนี่ยมาจัดเป็นระบบเพราะว่า มันคำสอนพ่อกระจายกระจายทรงธรรมไว้ที่นั่นบงังที่นี่บงังมีพระราชดำรัสกับคนนั้นคนนี้บงังถ้าไม่รวมให้เป็นระบบก็อาจจะตกหล่นคนรุ่นเราก็อาจจะรู้ไม่ทั่วไม่หมดยิ่งคนรุ่นหลังไม่ต้องพูดถึงรุ่นต่ อ, ต, อต่อไป ดังนั้นสิ่งที่เขาทำกันหลังผู้ยิ่งใหญ่ล่วงลับเนี่ยคือรวบรวมคำสอนให้เป็นระบบแล้วคำสอนนั้นจะอยู่นานมีผลไปในอนาคตอีกนานแสนนานไม่สูญหายตัวอย่างเรื่องนี้ก็คือเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เ, เจ้าของเรา สเสด็จดับขันธปรินิพานคือสิ้นชีพสิ่งแรกที่พระสาวกท่านทมคือรวมคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นหมวดหมู่เป็นระบบจัดประชุมพระอรหันต์ห้าร้อองค์นำโดยพระมหากัสปะรวบรวมคำสอนเพราะสมัยโน้นไม่มีการ เขียนบันทึกเวลาพระพุทธเจ้าเทศไม่มีการบันทึกเสียงบันทึกภาพอย่างสมัยนี้บันทึกอยู่ในความทรงจําของผู้ฟังใครได้ฟังก็ให้มาเล่าให้ที่ประชุมฟังพระอานนุ์ซึ่งเป็นเลขาส่วนพระองค์ของพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าพุทธอุปถาก ได้รับพรพิเศษก่อนรับตำแหน่งพุทธอุปถากพระอานนท์ขอพอรว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าไปเทศที่ใดถ้าพระอานนท์ไม่ได้ตามไปฟังขอให้กลับมาเล่าสรุปให้พระอานนท์ฟังด้วยพระอานนท์จึงเป็นเหมือนเทปบันทึก คำสอนของพระพุทธองค์ไว้มากมายมหาศาลและพระ อ, อนนท์นี่แหละเป็นผู้เล่าให้ที่ประชุมสังขยนณาครั้งที่หนึ่งของพระอระหันต์ห้าร้อยรูปห้ารองค์คู่กับพระอุบาลีพระอุบาลีเล่าเรื่องพระวินัยเรื่องพระสูตรพระอริธรรมพระอานนท์เป็นคนเล่า พอเล่าเสร็จพระอาหารหันต์ที่เหลือท่องหมดเลยเพราะไม่มีเทปบันทึกแล้วก็นำมาสวดกันจนทุกวันนี้คำเล่าของพระอนนต์ขึ้นต้นด้วยคำว่าเอ e วเมสุตังแปลว่าข้าพเจ้าสะดับมาอย่างนี้ข้าพเจ้าคือพระอนนต์เอวเมสุตังเอกังสมยังภควาพระจะนำมาสวดพระสูตร พระอานนท์เล่าว่าสมัยหนึ่งอาคาพเจ้าสดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระเจ้าประทับอยู่ที่นันี่นีก็เล่ามาพระอรหันต์ทรงจำไว้จัดเป็นหมวดหมู่สั่งสอนมาจนถึงยุคปัจจุบัน 2,500 กว่าปีเราเรียกระบบคำสอนนั้นว่าพระไตรปิฎกเป็นคำพีหลัก เสาเอกของพระพุทธศาสนามาจนทุกวันนี้การมาพูดถึงในหลวงราชการที่เก้าก็เข้าทำนองเอวมเมสุตังข้าพเจ้าฟังมาอย่างนี้พระที่มาพูดบนเวทีก็ฟังโดยตรงบ้างอ่านบ้างชม โทรรัศน์บงังแล้วก็มาถอดรหัสมาสรุปรวมคำสอนพ่อที่ในหลวงได้สอนไว้ต่างกรรมต่างวาระในโอกาสต่างๆเป็นสื่อต่างๆรัฐบาลได้จัดหมวดหมู่ร่วมกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งปวงรวมระบบคำสอนของพ่อในทั้งหมดเรียกว่าศาสตร์พระราชาศาสตร์พระราชาเนี่ยเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยมันศาสาตร์ศาสตรานี่นะหมายถึงระบบความรู้เช่นวิทยาศาสตร์ก็คือระบบความรู้ เกี่ยวกับเรื่องที่ทันสมัยทั้งหมด่สังคมศ า, ศาสตร์ก็คือระบบความรู้เกี่ยวกับสังคมาศาสตร์พระราชาก็คือระบบหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่เก้าประมวลทั้งหมดเนี่ยมากมายมหาศาล พูดอะไรก็อยู่ในระบบคำสอนพ่อทั้งนั้นเพราะว่าทรงพระพราชทานไว้เจสบปีเจสปีที่คลองราดเนี่ยนานพอที่จะประมวลคำสอนทั้งหมดมาเป็นาศาสตร์คือระบบองค์ความรู้ ระบบองค์ความรู้หรือศาสตร์พระราชาเนี่ยมาจากสามแหล่งคำสอนพ่อเนี่ยนะมาจากสามแหล่งด้วยกันหนึ่งทรงสอนให้รู้สองทรงทำให้ดูสามทรงอยู่ให้เห็นถ้าเราเอาใจใส่ ติดตามผลงานของพระองค์เราก็จะพบสิ่งที่พระองค์ตั้งใจสอนให้รู้เป็นพระบรมราโชวาทในโอกาสต่างๆโดยเฉพาะในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมคืนวันที่4 คนทั้งประเทศจะนั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์ฟังในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาธแก่ผู้เข้าเฝ้าซึ่งอยู่ที่วังโดยตรงแต่เราโชคดีได้ดูทีวีฟังทุกคำที่พระองค์ตรัส ภาพที่เป็นกระแสพระราชดำรัสที่พระราชทานออกมาเนี่ยยังอยู่ในความทรงจำของพวกเราคิดว่าทุกคนต้องได้ดูไม่ปีใดก็ปีหนึ่งและก็จำเรื่องได้นอกจากสอนให้รู้โดยพระบรมราโชวาทยังสอน ด้วยพระราชนิพนธ์เป็นหนังสือเอาเวลาที่ทรงยุ่งมากนี่แหละมาแต่งหนังสือโดยเฉพาะเรื่องพระมหาชนกสอนเรื่องความเพียรทรงใช้เวลาในการพระราชนิพนธ์คือแต่งเนี่ยกว่าจะได้พิมพ์นะตั้งแต่ได้ไอเดียความคิดมาเนี่ยว่าจะแต่งเนี่ย จนพิมพ์เผยแพร่เนี่ยี่สิบปีน่ะในหลวงค่อยๆทำไปตามที่มีเวลาจำกัดยุ่งมากน่ะกว่าจะพิมพ์กว่าจะวาดภาพประกอบเผยแพร่ใช้เวลาพอสมควรเหมือนพระองค์เป็นมหาชนกนั่นแหละเขียนไม่หยุดต้นฉบับเป็นภาษาบาลี ทรงแปลมาเป็นภาษาไทยด้วยภาษาไทยที่ไพเราะเพราะพริง้งแล้วทรงแปลต่อเป็นภาษาอังกฤษอกีกอาตมาได้อ่านทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นสุดยอดของการใช้ภาษาทั้งสองภาษาสรุปไม่ได้แปลนะสรุปด้วยภาษาของพระองค์ควรจะได้อ่านกัน อ่านต้นฉบับไม่ไหวฉบับการ์ตูนก็ส่งให้ทำการ์ตูนก็ไม่มีเวลาอ่านดูละครทีวีก็ได้ละครการ์ตูนก็ได้มีเผยแพร่หมดนี่คือตัวอย่างสอนให้รู้สองทำให้ดูในหลวง ไม่ใช่แต่จะพูดจะเขียนแต่สาธิตทำให้ดูทำให้ดูคือทรงทดลองเองก่อนไม่ใช่อยู่ๆทีเาา่เอามาสอนเอามาบอกนะหลายเรื่องในหลวงราชการที่เก้าทำก่อน พอทดลองว่ามันได้ผลค่อยเอามาสอนชาวบ้านยกตัวอย่างกเกษตรทฤษฎีใหม่กเกษตรทฤษฎีใหม่เกิดจากแปลงทดลองของพระองค์ทั้งที่วังสวนจิตทั้งที่จังหวัดสระบุรีโดยในหลวงเนี่ย ทรงเริ่มการทดลองด้านการเกษตรในวังสวนจิตอาตามาเนี่ยเวลามีโอกาสเข้าไปในวังเช่นไปสอนที่โรงเรียนจิตรดาก็ขอเจ้าหน้าที่เข้าไปทัวในวังไปเห็นแปลงทดลองของพระองค์นาข้าวก็อยู่ในวัง ฟาร์มโคโนมก็อยู่ตรงนั้นกังหันลมเราก็เห็นจากนอกวังก็ถามเขาว่าทำไมมีชาวนาใส่งอบมานั่งอยู่บนคนาในวังสนจิตเขาก็บอกว่าชาวนาจริงๆในหลวงทรงมีพันข้าวใหม่ ก่อนจะไปแจกให้ประชาชนเนี่ยส่งทดลองปลูกในวังสวนจิตถ้ามันออกผลออกรวงมาดีค่อยแจกชาวบ้านเอาชาวนาจริงๆมาช่วยกันดํานาเสร็จแล้วส่งไป ท, ทําเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ดินสิบห้าไร่ที่จังหวัดสระ บ, บุรีอำเภอฉเฉลิมพระเกียรติ แบ่ง15ไร่เป็นส่วนส่วนส่วนนี้ขุดสะส่วนนี้ปลูกพืชไร่ปลูกข้าวอันนี้เลี้ยงสัตว์เป็นไรนาสวนผสมทำสำเร็จแล้วค่อยได้ผลแล้วจึงเอามาเผยแพร่เรียกว่ากเกษตรทฤษฎีใหม่ทรงไปทำโครงการช่างหัวมันที่เพชรบุรี แล้วก็ให้พวกเรานี่แหละไปทัศนศึกษาไปดูแบบเอามาทำนี่เรียกว่าทรงสาธิตคือทำให้ดูอยู่ให้เห็นอยู่ให้เห็นก็คือไม่ได้พูดไม่ได้สอนไม่ได้ตั้งใจทำเป็นแบบอย่างแต่การที่ทรงงานหนะัก ข่าวในพระราชาสำนักที่เราดูเนี่ยไม่เคยเห็นอยู่กับวังสบายๆเลยปีหนึ่งๆนี่สเสด็จแปลพระราชาฐานไปเยี่ยมชาวบ้านหลายหมื่นกิโลเมตรจนฝรั่งที่มาเมืองไทยใหม่ๆถามคนไทยว่าในหลวงของคุณไม่มีวังเป็นหลักเป็นแหล่งหรืออย่างไร ทำไมเที่ยวไปโน่นไปนี่แล้วจะเข้าเฝ้ากันได้อย่างไรควีนเอริาเบดเขาอยู่อยู่วังเนะ่เขาไม่ออกไปไหนนะ่ะที่อังกฤษอ่ะทำไมกษัตริย์ของพูนี่ไปทั่วหมดคนไทยก็อธิบายให้ฝรั่งฟังว่าวังของในหลวงมีทุกจังหวัดทั่วประเทศอยากจะไปเฝ้าที่ไหนไปเถอะ พระองค์ถือว่าประชาชนคือลูกของพระองค์ต้องเสด็จออกไปฟังปัญหาแล้วมาคิดทางแก้กลุ่มนี้ช่วยเรื่องเกษตรกลุ่มนี้อยู่ในเมืองปัญหาจราจรช่วยทาถนนกลุ่มนี้ฝนแรงมีโครงการฝนหลวง กลุ่มนี้น้ำท่วมโครงการแก้มลิงทําตลอดเจ็ดสิบปีที่คลองราดไม่เคยสำเริงสำราญหาความสุขส่วนพระองค์นี่คืออยู่ให้เห็นเมื่อทรงสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระองค์ก็พอเพียงให้เห็นเราคงเคยเห็นหลอดยาสีฝันเรียกว่ายาสีพระทนน่ที่ทรงใช้เนี่ยรียดจนเรียบเลยไม่ฟุ่มเฟือยไม่สุรุ่ยสุร่ายทรงประหยัดอย่างยิ่งนี่เคย อ, อยู่ให้เห็นพระองค์ไม่เคยบอกว่า คนไทยต้องปฏิบัติธรรมะเข้าวัดเข้าวา่าฟังเทศฟังธรรมแต่เราจะเห็นภาพในหลวงราชการที่เก้าไปกราบหลวงปู่ที่นั่นที่นี่ไปสนทนาธรรมกับสมเด็จพระสังฆราชทรงปฏิบัติกรรมฐานเพราะฉะนั้นพอถึง โอกาสวันเฉลิมพระชนมพันษาพระสงฆ์นิกรทั่วประเทศปฏิบัติธรรมตามพระองค์โดยที่พระองค์ไม่ได้สัง่งหลายท่านในที่นี้คงเคยไปบวชพระบ้างไปบวชเนกขมมจาริณีบ้างถวายเป็นพระราชกสุสร เข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วง5ธันวาคมกันทั่วประเทศทำตามในหลวงทรงทำให้ดูทรงอยู่ให้เห็นและเมื่อถอดรหัสเราอย่าไปดูแต่ที่สอนด้วยคำพูดด้วยข้อเขียนดูในสิ่งที่พระองค์ทำเป็นแบบอย่างตั้งใจทำ เป็นแบบเรียกว่าทำให้ดูและดูในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าอยู่ในชีวิตของพระองค์ประจำวันคือวิถีชีวิตเรียบง่ายพอเพียงการกระทำมันดังกว่าคำพูดมันมีผลเพราะฉะนั้นเราดูทั้งสามเนี่ยสอนสรงสอนให้รู้ทรงทำให้ดูทรงทรงอยู่ให้เห็น ประมวลเป็นศาสตร์พระราชาคำสอนพ่อเจ็ดสิบปีเนี่ยนะประมวลเรื่องที่สอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นได้สี่ประเด็นสี่เรื่องสี่เรื่องนี้มาจากองค์การสหประชาชาติ โดยเลขาธิการสหประชาชาติในสมัยนั้นชื่อโคฟีอันนันได้นำรางวัลของสหประชาชาติมาทูลเกล้าถวายในหลวงราชการที่เก้าในโอกาสที่คลองราชครบหกสิบปีสอง9ันห้าร้สี่สิบเกรางวัล น, นั้นชื่อว่า รางวัลความสาเร็จสูงสุดของชีวิตเขาดูทั้งชีวิตในหลวงรัชกาลที่เก่าองค์กรระดับโลกนะีสร้างประชาชาติดูผลงานทั้งชีวิตของในหลวงรัชกาลที่เกาแล้วสรุปว่าความสาเร็จสูงสุดคืออะไร เอารางวันนั้นมามอบให้ชื่อว่าความสำเร็จสูงสุดของชีวิตภาษาอังกฤษว่า Lifetime Achievement Award เป็นความสำเร็จด้านการพัฒนาและการพัฒนานั้นเองทำให้สร้างพยชาชาติเรียกพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่กล้า ว, ว่า Development King กษัสัตย์นักพัฒนากษัสัตย์นักพัฒนานี้สหประชาชาติบอกว่าตลอดชีวิตเน้นการพัฒนามนุษย์พัฒนาคนคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสำหรับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าทรงห่วงใยพระสงนิก่อน ทรงรักพระบพประสงค์นี้ก่อนคือมนุษย์อะไรที่ทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อลูกลูกของพ่อหลวงทุ่มเทให้เขาอยู่ดีกินดีที่เหน็ดเหนื่อยเจ็ดสิบปีนี่ไม่ได้เคยหยุดเนี่ยหม่อมคึกฤทธิ์ปราโมชเคยถามว่าในหลวงราชาการที่หนึ่ง โปรดคือชอบทหารเพราะอยู่ในช่วงทำสงครามกับพมา่าในหลวงรัชการที่สองโปรดเกวีพวกแต่งกรบดนิพนธ์ทั้งหลายในหลวงรัชการที่สามโปรดช่างที่สร้างวัดหรือคนสร้างวัดว า, ารามถามว่า ในหลวงราชการที่เก้าโปรดอะไรหม่อมคึกฤทธ์ตอบเองในหลวงราชการที่เก้าโปรดประชาชนโปรดหรือชอบเสด็จออกไปเยี่ยมประชาชนเยี่ยมพระศพนี่ก่อนเวลาที่เสด็จพบปะประชาชน ทรงใช้เวลาอยู่กับชาวบ้านนานมากจนผู้ตามเสด็จเนี่ยเมื่อแล้วเมื่ออีกในหลวงยังไม่เลิกสนทนาถามสารทุก์สุขดิบกับชาวบ้านความสุขของพระองค์อยู่ที่พบประชาชนนี่คือคำของหม่อมคือกริสหประชาชาติก็เห็นจริงจึงถวายรางวัล ด้านการพัฒนาแต่เขาเน้นว่าเป็น Human Development พัฒนามนุษย์ในหลวงทรงเน้นการพัฒนาประชาชนเราอย่าไปติดอยู่ที่สิ่งของที่ทรงใช้การพัฒนาเป้าหมายคือเพื่อประชาชนดังนั้น การพัฒนาประชาชนของพระองค์สรุปได้สี่ประเด็นหนึ่งที่ขาดส่งเติมให้เต็มสองที่เต็มส่งให้รู้จักพอสามที่พอส่งให้รู้จักแบ่งสี่ที่แบ่ง ส่งให้เป็นธรรมสี่ประเด็นด้วยกันหนึ่งที่ขาดส่งเติมให้เต็มมีปัญหาของคนไทยทั้งประเทศที่ไหนส่งไปช่วยที่นั่นเราจะเห็นโครงการตามแนวพระราชดำริสี่พันกว่าโครงการ ใน 4,000 กว่าโครงการเนี่ยมุ่งแก้ปัญหาสามอย่างของคนไทยคนไทยทั่วประเทศมีปัญหาพื้นฐานสามเรื่องหนึ่งโง่สองจนสามเจ็บโง่จนเจ็บบางคนโง่บางคนจน บางคนเจ็บบางคนมีทั้งสามอย่างโง่ไม่มีการศึกษาทำงานก็ได้เงินน้อยมันก็จนจนแล้วรับประทานอาหารก็ไม่ถูกสุ ข, ขลักษณะป่วยไข้ก็ไม่มีเงินไปรักษาเจ็บในหลวงแก้ทั้งสามเรื่องโง่ ทรงส่งเสริมการศึกษาไม่ได้จัดการศึกษาเองแบบกระทรวงศึกษาธิการแต่เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรเกือบทุกมหาวิทยาลัยตอนหลังก็ทรงให้พระราชโอรสพระราชธิดาทรงแบ่งเบาพระราชภาระในการประสาทพระราชทานปริญญาบัตร จนทุกวันนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าทรงทรงเสริมการศึกษามีทุนเล่าเรียนหลวงแม้แต่พระสงฆ์ก็มีทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์นี่แกงโง่แก้จนในโครงการพระราชดำริสี่พันกว่าโครงการนับพันโครงการเป็นพันโครงการ เป็นเรื่องพัฒนาแหล่งน้ำเขื่อนฝายฝนหลวงเพื่อสร้างโอกาสให้คนได้ทำนาทำไร่มีกินมีใช้นี่คือพัฒนาออาชีพแก้จนนอกจากนี้โครงการที่มีอีกคือสาธารณสุขเพศอาสา โรงพยาบาลแก้ความเจ็บในหลวงทรงใช้เวลาตลอดพระชนชีพแก้งโง่แก้จนแก้เจ็บพัฒนามนุษย์ขาดคืองโง่ก็เติมด้วยการศึกษาจนคือไม่มีสตางใช้ไม่มีอาชีพก็แก้ด้วยอาชีพเจ็บไม่มีเงินค่ารักษาหรือไม่มีสารสุข ก็ช่วยในด้านนี้นี่คือที่ขาดทรงเติมให้เต็มใครที่รู้สึกว่าเต็มอย่าโลภมากเพราะประเทศไทยมันมีทั้งคนจนคนร่ำรวยในหลวงทรงถือทุกระดับเป็นลูกของพระองค์คนที่พอมีพอกิน หัดรู้จักพอบ้างอย่าไปกอบโกยอย่าโลภมากรู้จักพอบางฝ่ายไม่รู้จักพอมีเงินก็ไปกู้ยังไปกู้เขาไม่อีกกู้เอามาทำอะไรเอามากินเอามาใช้เอามาเที่ยวกู้มากๆเข้าไม่มีปัญญาใช่นี่ จนต่างชาติทุบค่าเงินบาทเพื่อให้เราตอนกู้เขา25บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐพอกู้มากๆเขาทุบค่าเงินเหลือ40บาทต่อ1ดอลลาร์50บาทต่อดอลลาร์ใช้หนี้กันอวมในปี2540เป็นต้นมาในหลวงออกมาเน้นย้ำเรื่องพอเพียงอย่าไปกู้เขามากเกิน รู้จักพอบ้างให้ยืนอยู่บนขาของตัวเองอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้เป็นสินเป็นทุกข์ในโลกแต่ไม่ได้สงห้ามการกู้หนี้ยืมสินเอามาลงทุนมาทำธุรกิจอย่างนั้นไม่เป็นไรแต่ที่คนไทยไปกู้มานี่เอามาปั่นหุ้น ปันที่ดินมันเลยติด NPL non-profit loan กู้มาแล้วไม่มีปัญญาใช้เพราะไม่ได้ผลิตเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงออกมาตอนนั้นมากกว่าปกติให้รู้จักพอพอเพียง ขยายได้เป็นสามขัมหนึ่งพอดีสองพอเหมาะสามพอใจพอดีเป็นหลักการพอเหมาะเป็นวิธีการพอใจเป็นอุดมการที่ว่าพอดีเป็นหลักการหมายถึง มัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางอย่าให้มันสุดตรงเวลาคุณพัฒนาประเทศเนี่ยอย่าไปสุดตรงด้านใดด้านหนึ่งอย่าไปพัฒนาแต่วัตถุลืมพัฒนาจิตใจอย่าพัฒนาแต่เศรษฐกิจจนทำลายสิ่งแวดล้อมน้ำเน่าฝน ตัดไม้ทำลายป่าน้ำท่วมต้องให้พอเหมาะอย่ามุ่งแต่หาเงินแต่ทำลายวัฒนธรรมอันดีงามของชาติปล่อยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะอยากได้สตังค์แล้วเขามาปู้ยี่ปูยยาบ้านเมืองเราเด็กใจแตกเพราะอะไรอย่าทำให้มันพอดี ก็คือทั้งด้านกายและใจมัชชิมาปฏิปทาไปด้วยกันที่สำคัญก็คือต้องให้พัฒนาครบสี่ด้านทางกายทางสังคมทางจิตและทางปัญญาในส่วนตัวของเรารวยไม่รู้เรื่องแต่เป็นโรคจิตโรคประสาทรวยเพราะขายยาบ้า มีประโยชน์อะไรบนความทุกข์ของเยาวชนคนเสื่อมทรามเสื่อมโทมเพราะอบายมุกอย่าทำพอดีมีความสุขอย่างบูรณาการเอาทุกอย่างไปด้วยกันนี่คือพอดีคือหลักการมัชชิมาปฏิปทาพอเหมาะเป็นวิธีการ มัดตันอยูตารู้จักประมาณในการลงทุนในหลวงบอกให้ยืนอยู่บนขาของตัวเองเน่ยพึ่งตัวเองให้มากเกษตรก็อย่าไปผลิตเพื่อเรื่องเดียวทำข้าวอย่างเดียวปลูกผักเอาไว้กินเองเลี้ยงปลาด้วยเพราะบางทีพืชราคาพืชผลมันตกเราไปพึ่งเขามาก เราก็เป็นหนี้เป็นสินขายข้าวราคาถูกต่อไปนี้ข้าวแล้วก็มีกินผักแล้วก็มีปลาแล้วก็มีแหล่งน้ำแล้วก็มีพึ่งตัวเองนกน้อยทำรังแต่พอตัวแต่ไม่ได้ทรงห้ามว่าถ้าคุณมีมากคุณก็ใช้มากไม่ได้ว่าใครมีเยอะนกตัวใหญ่ทำรังใหญ่ ไม่มีใครว่าพอเหมาะกับตัวเราในการลงทุนในการบริโภคมัดตันยูตารู้จักประมาณในการใช้สอยมีเงินแค่นี้แบ่งว่าอันไหนเป็นรายได้อันไหนเป็นรายจ่ายอันไหนเป็นรายเหลือไม่ใช่มีเท่าไรใช้เรียบ ห่วงลูกบังสิไหนจะค่าเทอมของเขาไหนจะค่าทัศนะศึกษาของลูกไม่ใช่พ่อแม่เนี่ยเอาเงินของลูกที่ควรจะไปส่งเขาเรียนมาใช้จนหมดพอเหมาะคือให้เหมาะกับทุกสถานการณ์เวลาใช้เวลาบริโภคลงทุนและบริโภคต้องพอเหมาะ คนจนมีสองประเภทจนเพราะไม่มีไม่มีจะกินต้องทำงานหาเงินจนเพราะไม่พอคือความโลภมากมีเท่าไหรกินหมดใช้หมดนี่แหละหน่าเป็นห่วงประเภทที่สองความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาล จนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การต้องคิดอ่านแก้จนเป็นคนมีสันตุถีประมังทนังความรู้จักพอเป็นยอดทรัพย์ข้อที่สามในเศรษฐกิจพอเพียงคือพอใจพอดีเป็นหลักการพอเหมาะเป็นวิธีการ พอใจเป็นอุดมการคือเป้าหมายเป้าหมายของชีวิตท่านหาอะไรทำงานงกงกนี่เพื่ออะไรไม่ใช่หาเงินมาดูเต็มไปหมดแต่ว่าไม่ได้ใช้ความพอใจคือความสุขเป็นเป้าหมายเป็นเป้าหมายในการทำงานในชีวิตแต่งงานครอบครัว ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้จักพอดีทำงานจนกระทั่งไม่มีเวลากลับบ้านมาอยู่ครอบครัวลูกไปทางพ่อไปทางแม่ไปทางความพอดีมันอยู่ตรงไหนแล้วกลายเป็นว่าทำงานได้เงินมากแต่ทุกข์เหลือเกินลูกติดยาเสพติดภรรยาสามีนอกใจแต่ได้เงินเยอะไม่มีเวลาให้กันมันไม่ได้รู้จักประมาณไม่รู้จักความพอเหมาะคือสายกลาง ขาดความสุขเงินมันซื้อความสุขไม่ได้ในหลวงสรงให้พอเพียงในเป้าหมายก็คือพอใจให้เรามีความสุขทำงานก็ให้มีความสุขการอยู่ร่วมกันแบบคนไทยเนี่ยไม่อยากให้เครียดจนกระทั่งยิ้มไม่ออกสยามเหมือนยิ้ม ยิ้มมันหดหายไปหมดแล้วเพราะเราเครียดกันเกินการที่เรายิ้มมีความสุขนี่คือเป้าหมายไม่ว่าจะสุขจะทุกข์อย่างไรให้ยิ้มได้เป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกัน ต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาเอาความสุขเป็นเป้าหมายทั้งสุขกายและสุขใจนี่คือพอเพียงหนึ่งที่ขาดส่งเติมให้เต็มสองที่เต็มส่งให้รู้จักพอเศรษฐกิจพอเพียงสามที่พอให้รู้จักแบ่งปันบางคนเนี่ย มีเยอะแยะหมดแต่ไม่รู้จักแบ่งประเทศไทยพัฒนาแบบไหนรวยกระจุกจนกระจายแบ่งก็แต่ความจนทำไมไม่แบ่งความมั่งคั่งบางเล่าไม่แบ่งทรัพย์สินของคุณให้เป็นประโยชน์บางเล่าในหลวงทรงทำรรเป็นตัวอย่างสิ่งที่พระองค์มีพระราชาทรัพย์ส่วนพระองค์นี่ เอาไปทำโครงการตอนเริ่มต้นก่อนเมื่อโครงการสำเร็จก็แบงกระจายให้ไปทำทั่วๆแต่ถ้าล้มเหลวเงียบส่รงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองแปลงทดลองทั้งหลายที่ไม่สำเร็จก็มีทรงแบ่งปันและเมื่อแบ่งปันเป็นโครงการตามพระราชดำริในหลวงบอกว่า พระราชันธบริคือความคิดของพระองค์เนี่ยสบอร์ซอีกเก้าสบอร์คนอื่นมาช่วยกันทำกเกษตรทฤษฎีใหม่ถ้าพระองค์ทำเนี่ยมันก็อยู่แค่นั้นแต่มีพวกจิตอาสามาขยายผลไปทั่วประเทศป้องกันน้ำท่วมลำพังในหลวงองค์เดียวเนี่ยทำได้แค่นี้แต่ในหลวงบอกว่าคนอื่นมาช่วย เมื่อพระองค์ให้แก้ปัญหาปลูกฟินสำหรับชาวเขาในปี 2,512 ได้ทรงเห็นว่าชาวเขาปลูกฟินให้เปลี่ยนไปปลูกพืชเมืองหนาวโดยที่เขาก็ชาวเขาเนี่ยเขาก็เก็บลูกท้อขายอยู่เป็นมันลูกเล็ก ในหลวงก็เลยไปให้กระทรวงเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยทำการต่อตาเอาท้อพื้นเมืองบวกกับท้อจากจีนออกมาลูกใหญ่แล้วไปให้ชาวเขาปลูกได้ราคาดีไม่แพ้ฝิ่นชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเมืองหนาวตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรกระทรวงเกษตรช่วยกัน จากนั้นมหาวิทยาลัยอื่นๆองค์การสากลชาติมารุมกันช่วยนี่คือการแบ่งปันในหลวงทรงเป็นศูนย์กลางของการแบ่งปันน้ำท่วมทรงบริจาค ก, ก่อนเป็นแบบอย่างแล้วพวกเราดีแหละตามเสด็จโดยเสด็จพระราชกุองกันเยอะเลยถวายพระราชถวายทุนต่างๆโดยเสด็จพระราชกุงกรบ้างเอาไปแจกกันเองบ้าง ตามอย่างในหลวงบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายก็ต้องเสียสละแบ่งปันเขาเรียกว่าทม CSRCorporate Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมเราเรียกกันว่าคืนกำไรให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นต้องชมเซนทรัลนี่นะ ให้โอกาสพวกเรามาใช้หอประชุมในการฟังเทศฟังธรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากคุณออนอุมาเนี่ยนี่คือตัวอย่างของ C S r ทำกันเยอะๆใครทำดีก็ชมนี่ไม่ได้ค่าโฆษณาเลยนะมีให้รู้จักพอพอให้รู้จักแบ่ง และข้อที่สี่แบ่งก็ให้เป็นธรรมเมื่อเราแบ่งปันเรากระจายเนี่ยอย่าไปเลือกที่รักมักที่ช่งแบ่งเฉพาะพวกตัวเองคนอื่นไม่ได้ส่วนแบ่งอย่างนี้มันก็แย่งกั น, นสิแย่งอาหารกันกินแย่งทินกันอยู่ แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ทะเลาะกันในบังทีแย่งอำนาจกันก็มาลบกันบนท้องถนนในหลวงต้องมาห้ามทัพแบ่งอำนาจกันประชาธิปไตยบริหารนิติบัญญัติตุลาการกระจายในหลวงส่งออกมาห้ามทัพหลายครั้งผลแห่งการพัฒนา ประเทศเศรษฐกิจที่เติบโตอย่าไปกระจุกอยู่ที่คนบางกลุ่มกระจายให้ทั่วถึงให้การพัฒนามันเท่าเทียมรู้รักสามัคคีในหลวงสอนเรื่องนี้ยังก้องหูพวกเราอยู่รู้รักสามัคคีรู้ว่าสามัคคีคืออะไรรักความสามัคคีและก็ อยู่ร่วมกันอย่างสันติอย่างสงบต่อไปนี้เราไม่มีพ่อหลวงคอยห้ามทับถ้าเราไม่รู้รักสามัคคีและบังเอิญทะเลาะกันอีกใครจะมาช่วยเราเพราะฉะนั้นคำสอนข้อที่4รู้รักสามัคคีเนี่ยต้องเอามาใช้อย่างรีบด่วน และให้เป็นวิถีชีวิตเป็นมรดกคำสอนของพ่อแม้ว่าพ่อไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเราก็ต้องรู้รักสามัคคีสรุปว่าศาสตร์พระราชาคือระบบคำสอนของพระองค์คือรัชกาลที่9ก้าเป็นคำสอนพ่อร่วบรวมกันเป็นระบบ จากการที่เราสังเกตรเราฟังสิ่งที่พระองค์รัชการที่ก้าวสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นและเราไม่ต้องไปฟังใครหลักต่อไปนี้ถ้ามีโอกาสเขาฉายทางทีวีภาพยนตร์อะไรเกี่ยวกับพระองค์เราดูเราจะได้ฟังตรงๆเลยไม่ต้องบอกว่าเขาว่า นี่คือพระองค์สอนให้รู้นี่ทำให้ดูนี่อยู่ให้เห็นสังเกตเอามาสอนตัวเราเองดูฟังจากพระองค์เอามาสอนตัวเราดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวขำอุราหน้าหัวเต้นยั่วอย่างฝันดูคำสอนของพ่อเอามาสอนใจเรา ในสี่ประเด็นเวลาดูเนี่ยเรื่องไหนที่ขาดทรงเติมให้เต็มทำอะไรบ้างที่สำคัญคือเราอย่าเป็นภาระของสังคมเติมให้เต็มด้วยตัวเองในหลวงไม่ได้มาช่วยอุ้มในหลวงทรงชี้ทางเราต้องเดินตามทางเรื่องมหาชนกเป็นแบบอย่าง เราทำเองเหมือนมหาชนกว่ายน้ำเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่จมน้ำตายแล้วเทวดาจึงมาอุ้มเอาไปช่วยตัวเองก่อนแล้วเทวดาจะช่วยท่านที่ขาดส่งเติมให้เต็มที่เต็มส่งให้รู้จักพอพอดีพอเหมาะพอใจ ที่พอให้รู้จักให้รู้จักแบ่งปันอย่างเท่าเทียมและนั่นก็คือที่แบ่งต้องให้เป็นธรรมรู้รักสามคัคคีคนไทยเป็นลูกของพ่อหลวงองค์เดียวกันแม้พ่อจะหาไม่แล้วสเสด็จสู่สวรรค์คาลายแล้วคำสอนของพ่อยังก้องอยู่ในหูยังอยู่ในใจของพวกเรา ให้เราเดินตามรอยของพระองค์ท่านพระองค์ได้ประทับรอยบาทไวในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกและของไทยให้เราได้เดินตามรอยบาทของพระองค์ดังพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่หกที่ว่าประวัติวีรบุรุษไสเตือนใจเรานาะ ว่าอาจจักยังชนเลิศได้เลยามจะบรรยทิ้งซึ่งร้อยบาทหยียบแน่นไว้แท่ผืนสายสมัยตามร้อยบาทที่พระองค์ประทับไว้ในหน้าประวัติศาสตร์สายสมัยแล้วเดินตามรอยท้าพ่อชีวิตของเราก็จะเจริญรุ่งเรือง ประเทศชาติของเราก็จะพัฒนาสถาพรในโอกาสนี้ท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมะเป็นธรรมมัตสวรรมัยบุญอันเกิดจากการฟังธรรมคำสอนพ่อแล้วขอให้ตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานอ้างคุณพระศีรัตนตรยัยและบุญโกศลที่เราทุกท่านทุกคนได้บำเพ็ญ ให้เป็นไปขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอุทิศถวายเป็นพระราจุกศรบูชาพระคุณขอพระองค์ท่านได้โปรดอนุโมทนาบุญเพื่อเพิ่มบารมีธรรมของพระองค์ท่านยิ่งยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพ สมดังเจตนาปารับของเราท่านทั้งหลายทุกประการอันหนึ่งขออำนาจแห่งบุญกุศลนี้พร้อมทั้งพรพระสีรัตนไตรและบารมีธรรมแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าขอจงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้ทุกท่านทุกคน ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในชีวิตส่วนตัวครอบครัวการงานสมบูรณ์ในลาบยศสุขสรรเสริญทุกทิพพาปราตรีการปราถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำก็ขอให้ความปราถนานั้นนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสาเร็จจงพลันสำเร็ จ, จ สมมโนรถมุ่งมาดรปราถนาทุกประการตลอดกาลและนานเทินอาทุ